ธงชาติ Vela päetneli ka! รู้รัก ประชาอยู่มาพ้นภัยขอดูแลคุ้ม ก็ได้ไหมจะข้ามผ่านความบาทมากเราจะทำตามสัญญา ประชาชนวันนี้ต้องเน็ดเหนื่อย ไม่อาจให้สายไปเพื่อ I'm gonna get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 เดี๋ยวนี้ไม่เคยมั่นใจเลยอ่ะไม่คิดไปเหล่านี้เลย We give, we give, we get, we get, we get, we get, we get, we get, we get, we get, we get, we get, we get, we get, we get, we we get, we get, we get, we get, we get, we get, we get, we พร้อมแจ่มใสด้วยคน 4 คนปินกับบินกับ Air 7-Eleven ทัวร์ๆเชียงใหม่เชียงรายขอนแก่นภาคอุบลเริ่มต้นที่ 690 บาทและเส้นทางใหม่เส้นทางใหม่มุกดาหารปลายริสโคไทยถึง 9 กรกฎาคมรับ 200 บาทจะ ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมคุณไม่ 13 หลักคุณ ตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านสถานีอนามัย 1330 กด 2 ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนด้วย 1330 ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึงความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคมและ ประชากรเศรษฐกิจอาเซียนประชากรเดียววิสัยทัศน์อัตลักษณ์ปี 2558 พร้อม 9 สู่ประชาคมอาเซียน ก่อนจะฟังสปอตนี้อะอ่ะนอก 200 200 ทับเอง 200 ราคาถูกซื้อ 200 กับคนที่คุณรักโดยสำนัก เงินคือการส่งมอบโอกาสการศึกษาแก่รุ่นน้องบาทก่อน 5 กรกฎาคม ที่สงสัยพระ 3 ถึง 23 กรกฎาคมตั้งแต่เวลา น. ถึง น. 9 <น. S 1> ปี เพราะเราจะทําตาม 2ญญ า, อง, 20 จังหวัด 95 สถานีขอเชิญฟังราย 8 อีสาน น. ฟังเรื่องราวดีๆเรื่องราวดีๆที่สวทชเชียงภูมิ 92.75 20 จังหวัดนะ แคนดิน 2 ที่สวทชิภูมิได้รับ 1 คอนแก่นแล้วก็ 2 ของสถานี อสมท. ตชด. วิทยุ แผ่นดินให้กับพี่น้องประชาชนในภาค อ่าได้ดําเนินการทั้งเรื่องของศูนย์ นะครับโดยเอ่อชัยอํานาจตามสงบเช่น ข้อๆครับครับ ข้อสรรดแบบที่ 1 ของกสชครับคือตอนนี้ครับแล้วครับว่าเป็นอย่างไรครับ นะฮะระดับอําเภอ 16 ชุดพร้อม 16 16 ชุด 12 13 คุยกัน แต่เราสร้าง 1617 หมู่บ้านต้องเข้าไปให้ สภาเอ่อองค์การบริหารส่วนตำบลนะก็ต้อง ครับนะฮะกาชาติก็เข้าไปเช่น นะฮะไปก็ไปกันตั้งแต่เช้าครับนะๆนี่นะว่า 3ๆสิ่งที่ ก็อันเนี้ยการที่ทหารเข้ามาดําเนินการแก้ๆกันก่อนนิ่งกันแล้วก็เริ่มกันแล้ว รับฟังความคิดเห็นตั้ง 16 <ไม>อําเภอเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านที่ผ่านมาเช่นมัน แล้วก็ยาเสพติดนี่ก็กระเจิงกระเจิงพอครับเพราะ เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นครับครับ ที่ชาวบ้านในจังหวัดชัยภูมิเนี่ยต้องการมากเลยก็คือเรื่อง ก็ไม่เคยปีนี้ 35 ปีไม่เคยได้รับการแก้ไขครับก็อยู่อย่าง ที่ทางฝั่งซ้ายเนี่ยมีหมู่บ้าน โดยอำนาจพิเศษเนี่ยครับก็อยากจะครับและออกมาตรการไปเลยฮะว่าจะแก้ไขปัญหาให้ชาวครับนะครับเล็กๆ อ้ายหน่วย 3ๆปีเนี่ย แต่เนื่องจากการไปเปลี่ยนครับทํา แต่สิ่งที่มันแทรกซ้อนเข้ามาเนี่ยนะปรากฏว่า ไปดูถูกชาวบ้านไม่ได้เลยนะฮะลุกขึ้นถาม 39 เนี่ย เปิดหน้าเข้าหากันครับนะครับครับว่าจริงๆแล้วความสามัคคีความเป็นปึก อย่าไปบ้าตามตะวันตกอเมริกา นะครับลงมาก็การครับเนี่ยอย่างครับซึ่งเราครับ บ้านเมืองเป็นยังไงก็เอาเนี่ยมา มามองที่จริงๆแล้วมามามามามามามามา 7 นาทีนะ 12 ปีที่จะ the best city ที่ 3 ของประเทศ คือเราก็ต้องเดินตามแผนเดิมเราก็ต้องเดินครับ สิ่งเนี่ยพอมันตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ๆครับนะจริงๆไม่ รัฐดนทําไม่ได้นะ 12 ปีครับโดย 200 ปี 3 อันที่ 3 เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดครับซึ่งทั้ง 3 อันเนี่ย มีศักยภาพภาพทางการท่อง 2-3 เมือง 300 เขาเช่นนะฮะทุ่งดอกกระเจียวหรือพื้นปี นะครับบางคนไม่รู้นะฮะว่าโอ้โหเนี่ยสถานที่สําคัญของประเทศครับเราครับทีนี้ครับนะ ไอ้ตรงไหนฝ้ายชัยภูมิ สงสัยผมจะขับเคลื่อนกันยังไงต่อไปนี่แหละฮะ เนี่ยเมื่อเราวางตำแหน่งที่ชัดเจน นะฮะการปรับปรุง ใครไป 3 แล้วก็คณะกรรมการขับเคลื่อนประธานคณะ นิดนึงนะ 2 นาทีทั้ง 20 ครับ 5 6 แต่มี 3 กม. ครับนะฮะก็ขอเชิญ 456 ครับและนะ 14 14 ก็จะอยู่ถึงเอ่อวันที่ 31 สิงหาคมครับซึ่งหลังบอลโลกเนี่ยดอกกระเจียวจะจะ 2-3 สิงหาคมเนี่ยจะมีทําไม กระเจียวมันดังนักที่จัยภูก็ให้ ที่เทพอร่อยมากนะฮะทุเรียนหมอนทองที่เทพสถิตย์มี เอ่ออีไสมอนที่ 2 ครับที่ www.army2.in.th ๆ